คำว่าโลกวุ่นวายส่วนมากคิดไปดสู่ภายนอกแล้วด้วยความติดใจแน่ใจด้วยว่าโลกวุ่นวายความจริงแล้ว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 จนกลายเป็นโลกหุ่นวายก็ไม่พ้นจากปิติดวงนี้ไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมองดูที่นี่จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเราดูภายนอกหาความสึ่นสุดยุติไม่ได้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 จะเป็นผู้มีทางทราบได้และทราบได้โดยลำดับภายในหวัวใจของตนอันเป็นฐานที่ผิดหรือที่เกิดขึ้นที่อยู่แห่งความววายทั้งหลายโลกจําเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าโลก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 ท่านกล่าวไว้ล้นแล้วแต่กิเลสสมารไม่ว่าประเภทใดคำว่ากิเลสแล้วย่อมอยู่ที่จิตและเกิดขึ้นที่จิตสร้างความวุ่นวายให้ที่จิตดังความที่จิตปีบบังคับอยู่ที่จิตจึงเรียกว่ากิเลสสมานสิ่งอื่นไม่ใช่มาตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวมาอันใหญ่หลวง ภายในใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามไม่มีไม่มีเว้นเว้นแต่พระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่จะไม่มีกิเลสมานเข้าไปเรือแฝงหรือ แ, แอบแฝงได้ธรรมะเครื่องปรามาณพระพุทธเจา้าประธานไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่อง สมกับคัมมาสวัวขาโตพระขวตาธรรมโพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคจัดไว้ชอบแล้วนั่นพระรู้ชอบเห็นชอบการจัดออกมาด้วยความรู้ความเห็นอันชอบอันเป็นความจริงดวนๆนั้นจึงไม่มีผิดพลาดค้าดเลื่อนไปไหนตรงต่อความจริงทุกสิ่งทีกอยากทั้งฝ่าย ดีฝ่ายชั่วทั้งวิธีการละและวิธีการบาําเพ็ญทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเหมาะสมกับการแก้ไขถอดถอนและเหมาะสมกับการบาําเพ็ญทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกผู้ไปไม่มีข้อที่น่าสงสัยในพระอาวาชที่แสดงไว้แล้วนิยา น, นิกระทัมเป็นนํา เป็นทำเครื่องนำออกถ่ายเดียวนำสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละออกจากใจซึ่งเป็นคลังแห่งพิษภัยและตัวทุกข์ทั้งหลายนำออกจากที่นี่ด้วยพระอาวาตของพระพุทธเจ้าเข้ามากําจัดปราบปรามให้สิ้นไปที่ใจนี้ ความสุขความสบายเริ่มแต่ความสงบสุขเย็นใจขึ้นไปถึงขั้นระหว่างกระสานแจ้งด้วยปัญญาเป็นขั้นขั้นเพงไปถึงวิมุตติ้นจะเพียรทาที่พึงปรารถนาของเราทุกท่านด้วยการประพฤตปฏิบัติของตว การแสดงทามีหลงเงินบ้างเหมือนกันเพราะแสดงแล้วมันดับไปพร้ อ, รอมๆงานของพระที่เป็นงานประจำเหมาะสมกับเพศและหน้าที่ของเราโดยแค่จงนนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้แล้ว ยกเจสาโรมานขาทันตาตัจโจขึ้นเป็นงา น, นชิ้นสาคัญสาคัญเพราะสถานที่เหล่านี้หรือวัตถุที่กล่าวเหล่านี้เป็นที่ซ่องสูงของกิเลสประเภททุกประเภทรวมอยู่ในที่นี้การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนยึงเป็นการทำลาย ริบักฟอกสิ่งซึมชาบคือกิเลสทั้งหลายออกได้โดยลำดับลาดับยิงไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิเลสเข้าไปแทรกอุูหมดทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอาการที่กล่าวมาเฉพาะอย่างยิ่งเพียงห้าอาการนี้เท่านั้นเพราะเป็นอาการอันใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่งตระมโจเป็นสำคัญมากในร่างกายของเราทุกร่างนี้ดูให้ทั่วถึงตามหลักความจริงมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้เป็นเครื่องหลอกตาลวงใจของสัตว์โลกฉะนั้นท่านจริงนาของจริงเข้ามาเพื่อกําจัดของปลอมที่เศษสันปั้นย อ, อไว้นั้น ให้จางหายไปด้วยความจริงเัีว่าอาุภะอาุาูพังตะโจแปลว่าหนังปริยันโตหุ้มห่อห อ, อยู่โดยรอบร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องรางตาของสัตว์ไม่ให้มองเห็นเลยยิงต้องใช้ความพินิจพิจรารณาคลี่คลาย เอาเพียงสิ่งบางๆเท่านี้แหละออกแล้วจะเยิมไปด้วยสิ่งสกด์สิทธิ์ทั้งหลายหมดทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะไม่เป็นอสุพะอสุภังเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครมเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่ภายใน ให้หลงภายในว่าเป็นเหมือนกับภายนอกนี้ความจริงไม่ได้เหมือนสียงภายนอกบางๆเท่านั้นที่อบภุมหุ้มห่อเอาไว้นอกนั้นเป็นก้อนปฏิกูลโสโรครกทั้งหมดยิ่งลึกยิ่งในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้าขยะขยะแข็งเต็มไปด้วยสิ่งไม่เป็นปราธานาเหมือนกับเราแต่ละคนละคนนี้ ก็ <c oughs> <c oughs> คือกองอธุภะอธุภังป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละนี่คือความจริงไม่ใช่ความปรอมดังเจรีเศษสันพันเุเอาไว้ว่าสัตว่าบุคคลว่าเป็นของสวยของงามหาของสวยของงามตามสิงคำที่เศษสันมันอย่างฝังใจนั้นไม่มีเลยมีแต่ของปฏิกูลนั้ม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 ก็ไปเหมาเอาแล้วว่าร่างกายนี้มีความสบายกอพูดกันไปแบบถุถ่มๆเดาๆว่าสบายดีนะคําว่าสบายนีก็หมายถึงตอนนั้นโรคไม่กำเริบหรือว่าโรคใครต่างๆนอนหลับยังไม่ตื่นเท่านั้นเองหาความสุขจริงๆภายในร่างกายนี้มันไันมี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 ก็เพียงปปะยียวยาวความหิวความกระหายสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นนิดหน่อยผ่านเข้าไปพอรู้ว่ามีรสจางนั้นมีรสจังนี้นิดๆๆๆๆนิดนิดนิดทันทนหายไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะว่าทุก ข, ขังที่ไหนที่นี้คําว่าทุกขังนั้นเป็นสิ่งที่เด่นชัดอูแล้วว่าร่างกายส่วนต่างๆนี้มีการบีบบังคับกันไปในตัว ส่วนจิตใจก็ผูกบีบบังคับ ด, ด้วยกิเลสปัญหาประเภทต่างๆไม่มีเวลายัย้งตั้งตัวได้เลยถ้าผู้ใช้สติปัญญาพิจารณานแล้วจะเห็นกองภัยกองพิษที่เต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะคว้ามายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่ห น, น้าละค่ายกุญแจได้อย่างไรยึดไม่ลง แล้วเมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันเป็นเรื่องอนิจังทุกขังไปด้วยแล้วคำว่าอน้ตาเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมีไม่มีนี่ทำอันแท้จริงเป็นอย่างนี้สิ่งที่จอมปลอมก็คือสุขขังนิ จ, จังอัตตาแสงกันขึ้นหมายสวมรอยทำ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 ตามหลักธรรมอันเป็นของจริงนี้เข้าไปาปราบปรามแก้ไขหรือซักฟ่อกิ่งจังปรอมทั้งหลายที่ปักเสียบไว้ตัวสารพังร่างกายเหมือนกับเสี่ยงกำหนามนี้ให้ออกจากร่างกายที่จิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเราจะเห็นได้ชัดเจนที่นี่ไม่มีใครมาบอกก็ตาม ความจริงบอกดูแล้วภายในร่างกายและจิตใจเพราะธรรมมีอยู่ที่นี่ความจริงมีอยู่ที่นี่เมือ่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วย่อมปล่อยวางสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกได้โดยลําดับแห่งความจริงเข้าถึงและปล่อยวางได้โดยทิ้งเชิงจากนั้นก็เป็นอิสระเสรีไม่มีคําว่าเราว่าเขา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 ไม่ไปพลิกแปลงเปลี่ยนแป ล, ง ป, ลงปั้นย่อเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วย่อมม่เกระทบกระเทือนกันจึงอยู่เป็นผาสุกหากร่างกายจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยก็ทราบชัดว่าร่างกายมีควา ม, มีควา ม, มวามมิกฤติการผิดปกติไปตามสภาพของมัน ทุกขเวชนะก็แสดงขึ้นไปตามความนิการของร่างกา ย, ยาต่างๆนั่นเรื่องก็มีเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อความนิการของร่างกายสงบตัวลงทุกขเวชนาก็สงบตัวหรือเมื่อมันถึงกีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไม่ได้แล้วร่างกายก็แสดงความนิการของตนเต็มที่ทุกขเวชนาก็แสดงเป็นเงาตามตัว ไปไ น, นั้นอย่างเต็มที่แล้วกระจายออกจากกันไปตามความจริงของไทยของเราจิตผู้ที่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยู่ตามความสินของตนไม่มีความวาดวันไหวหรือกระทบกระเทือนตัวเองนี่คือผลแห่งการพิจารณารู้รอบ หรือทำงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กรรมฐานห้าไปถึงอาการสามสุกสองซึ่งเป็นส่วนรูปคือรูปปายนี้เข้าถึงเวทนาทั้งเวทนาขันทั้งทั้งเวทนาเวทนาจิตเวทนาทั้งกายเวทนารอกไปโดยลาดับ สัญญาความจดจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเป็นเงาของจิตเพียงเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของจิการรับภาพาจากจิตมาสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นทํานองเดียวกันมีแต่อาการมีแต่เงาความจำความจำที่เรียกว่าสัญญาก็เป็นอาการอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหลือนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลยงยักย้ายไปต่างๆหาความแน่นอนไม่ได้ทนนี่เรียกว่า รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสร้างฆาลาอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเป็นสิ่งที่แปลสภาพอยู่ตามหลักธรรมาชาติของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรถือเอาแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออาการเดียวจินณาให้รู้เท่าทันและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดจนกระทั่ง เชื้อของมันที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นภพเป็นชาติอีกซึ่งสังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่ทนสติปัญญาที่มีความฉลาดแหลมพมทันกันไปได้และกระจายออกหมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข่าระก็ตัวอวิชชาซึ่งเป็น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 เช่นการใส่จองพินิจพิจารณาอัตธรรมเนี่ยต่างๆเป็นอีกอย่างนึงคือความคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเป็นขันร่วนๆแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเคลือแฝงไม่มีอะไรมาบังคับนั่นเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารประเภทนี้ไม่มีพิษมีภัย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 ให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดอรรณนะความสัมผัสซ้ำพันยอย่างนี้มันอยู่ในกิจดวงเดียวนี่ทั้งนั้นแต่ท่านแยกไปเพราะความละเอียดของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสน า, ศ า, ศาแต่ไม่ต้องการให้ผู้ใดเขาต่างไปไล่ไปเรียงไปให้เป็นแบบเป็นฉบับยืดยาวไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนี้จะรู้หมด นับตั้งแต่อวิชาปจิยาสร้างขาราถึงสมุรยโยโฮติและรอบหมดตั้งแต่อวิชายตะเววาเสสสมิลายาการนิโรธาสร้างข้ารายนถูกจงกระทั่งเอวเมตตาสเกวลาสะดุขขั้นพัสสนิโรโทโหติรวมอยู่ที่ใจนั้นทั้งสิ้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเรื่องของอวิชาปรุง ทาปุงให้เป็นขันนั่นเป็นขันของสมุทยัยไม่ได้เป็นขันอยู่ธรรมดาของตนการเมื่อพิจารณารางของภพของชาติแตกกระจายไปจากจิตใจแล้วยังไม่มีอะไรที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีกแม้เจ้าตัวก็ทราบจะไม่เคยทราบมาก่อนเพียงไรก็ตามดังพระพุติเจ้าทรงทราบเป็นพระองค์แรก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 เนี่ยคำว่ารู้รู้อย่างนี้คำว่าพบชาติหมดหมดที่จิตไม่ได้หมดที่ไหนพบชาติมีมากน้อยที่เคยเกิดแก่เก็บตายมาตักเท่าไหร่แม้เราจะตามนับพบนับชาติไม่นด้ก็ตามแต่ก็ไม่พ้นกับหลักปัจจุบันที่แสดงให้เห็นอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจว่าเป็นไปเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับสิ่งใด อันจะพาให้เกิดให้ตายมาโดยลาดับลาดาหมายถึงชื้อคืออวิชชาตัวนี้พาให้เกิดเมื่อได้ทราบเข้าไปโดยลาดับแล้วย่อมทราบความเกิดของตนไปโดยลำดับจนกระทั่งทราบความเคยเกิดเคยตายขอ ง, น ต, องตนได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงขัน้นตัดขาดจากพกจากชาติภายในจิตใจแล้ว นี่การทำมูลเจ้าพิสูจน์กันที่จิพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์กันด้วยการท่องการจดจาการเน่าเรียนมาเฉยๆจึงได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อแต่นามของอัดของธทำของมัคคุนิพานธ์องตัวของกิเลสตัณหาอาสวะแท้ฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจไม่มองดูเลยมัคคุนิพาน์ซึ่งอยู่ ถูกกิเลสันหาอาสมาประเภทต่างๆครอบเอาไว้ก็มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมองเพราะฉะนั้นการเรียนเฉยๆไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านถึงสอนเป็นความจำเป็นเกี่ยวเนื่องถึงกันว่าปริยัติได้แก่การศึกษาโรเรียนนับตั้งแต่ศึกษาจากอุปชา r y ที่มอบให้ในกรรมฐานห้างนั้นเป็นอำนับไป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 ก็ต้องรู้กันที่นี่จิตจริงเป็นของลึกลับมากเมื่อกิเลสยังครอบอยู่แล้วจะพิสูตนท่าใดไม่มีทางนอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะพิสูตให้เห็นความจริงของจิตนีไ้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นผู้ปฏิบัติจิตภาวนานี้เลย พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างโชคโชนถึงขั้นฉลบเลายพระสาวกก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยกันนั่นจึงเรียกว่าท่านทำงานมาแล้วทางหนันจึงได้ผลเป็นที่พอพระถัยและพอใจไม่ใช่เพียงเรียนมาแล้วก็มาพูดกันเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยการพิสูจจิตซึ่งเป็นของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบอยู่นั้น จึงตั้งพิเศษพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติคือเป็นการเพิกถอนยิเลียออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงกระแสะของจิตถึงตัวจิตและถึงตัวจิตโดยสมบุปอาฐานท้าถ่ายไม่สะทุกสาฐานเพราะตนเองเป็นผู้รู้ เนื่องจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติมาและรู้มาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงขั้นปฏิบัติโดยสมบูรณ์และรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วภายในใจหาความสะทกสะทานไม่ได้สามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มตามความจริงดังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศทำสอนโลกได้ตลอดตั้ดถึงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะ ก็ให้รู้ความจริงเถอะพูดได้คนเราถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปิดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะกิเลสพาให้สลับซับซ้อนไม่ใช่อันเรื่องอื่นใดพาให้เป็นนี่แหลโลกเราที่ได้หลงเราเองได้หลงโลกหลงทุกขสารหลงความกดแกจดจิตตาของตนซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันปิ่งไปปิ่งมาอยู่นะั้นยิ่งกว่าพูตบอนก็ยังลบล้างความเป็นมาของตนได้ โดยเห็นว่าความเกิดตนไม่เคยเกิดตนไม่เคยตายตนไม่เคยทุกข์เคยยากลำบากตนไม่เคยตกนรกไอเวกีตนไม่เคยไปสวรรค์ท่านใดๆความจริงสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิตดีชั่วทั้งนั้นจิตดีก็ไปสูงจิตไม่ดีก็ไปต่าจิตดีก็เป็นสุขจิต ชั่วก็เป็นทุกข์สถานที่อยู่ของผู้มีสุขมีทุกข์ก็คือนรกสวรรค์เหมือนกับาสถานที่อยู่ของนักโทษนี่พูดง่ายๆมันมีอย่างนั้นพระธาจะไปลบล้างได้อย่างไรแต่ีิเลสมันพาลบล้างมันปิดมันกำบงังสิ่งที่เคยเป็นมาของตนเสียอย่างมิชิดปิดตามองไม่เห็นแล้วยังเอา มองไม่เห็นว่าไม่หนีเข้าไปทับอีกซะจนแน่นหาที่เปิดไม่ได้นี่แหละคนได้ทําชั่วจนจมมิตรหมดหวังทั้งที่ร่างกายและชีวิตยังมีลมหายใจฟอสฟอดอยู่นั่นแหละมันก็เป็นคนหมดความหมายได้เพราะอํานาจของกิเลสทําให้หมดความหมายพาให้หมดความหมายทําเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมชาติที่สร้างความหมายให้มนุษย์ทและสัตว์ทั่วไปได้ โดยลำดับจนกระทั่งถึงสร้างความหมายความมีคุณค่าให้ได้โดยช้อโบทเพราะธรงมด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ที่แน่นอนที่จะต้องเห็นผลตามหลักธรรมที่ท่านจัดไว้เพราะจัดไว้ด้วยความเป็นด้วยของมีอยู่จริงๆทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างทำไมยิด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 ไปโดยลำดับจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญเปน็นขั้นขั้นของปัญญาสามารถที่จะฟาดความกิเลสประเภทต่างๆได้ตามกําลังของปัญญาของตนและขาดสะบั้นไปด้วยปัญญาจนไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสตัวใดเหลือภ า, ายในจิตใจเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะทีนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนานปรักษ์กี่ปีกี่เดือนกี่พระองค์ ไม่คิดไม่สงสัยให้เสียเว ล, เวลาเพราะความจริงที่เป็นอยู่เต็มหัวใจนี้มีอยู่กับตนแล้วมีรูปลักษณะอย่างไรที่จะต้องที่จะแตกต่างกันกันกบพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของอาสาวกท่านทั้งหลายไม่ไมีเป็นธรรมชาติอันเดียวตายตัวเหมือนกันนี่ทั้งสิบนั่นแหละความจริงขั้นเอก ข่านเต็มภูมิได้เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เป็นพุท ธ, ธะเป็นธรรมะเป็นสังขาะถ้าจะแยกเป็นอาการนะพูดตามหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วธรรมะอันเดียวเท่านั้นพอจิตได้กลายเป็นธรรมไปทั้งดวงแล้วธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพุท ธ, ธะทั้งหลายนั้นย่งไม่เป็นที่สงสัยหายสงสัยทั้งหมด แล้วก็เข้ากับหลักธรรมที่พระโพธิจารย์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นหลักตถาคตนี่แหละธรรมแท้นี่แหละคือตถาคตแท้เป็นอย่างนี้พระสริละนั่นเป็นเรือนร่างของพุท ธ, ธะไม่ใช่องค์ของพุท ธ, ธะธรรมะแทเ้เป็นเพียงเรือนร่างเท่านั้นจึงมีการเสื่อมถลายแ ป, ปร ป, ปรวนไปได้าตามการท่องหมัน พอสำคัญขอให้ใจได้ดื่มทมขอเท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนกำลังของตนที่มีธรรมในใจได้ถึงทมเต็มภูมิก็ได้เฝ้าสัารรรษะเต็มองไม่สงสัยการปฏิบัติเป็นสำคัญมากขอให้ทุกท่าน พยายามเต็นสติกำลังความสามารถทุกชนิดใดเราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันไม่เป็นที่สงสัยสุขใดก็ตามที่มีในโลกนี้พ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางใจของเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้งกายใจของเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นผู้รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงไม่น่าจะสงสัยกับอะไรอีกแล้วในโลกนี้ ทิ้งที่เรายังไม่ดื่มรังจอมปราดทั้งหลายท่านแสดงและท่านจากออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงของท่านความสวยของท่านจริงจิงนั้นเรายังไม่พบยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่สมาธิน่ะคือความสงบใจก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่แปลกจากโลกอยู่แล้วความสุขของสมาธิเป็นขั้นขั้นก็เป็นความสุขที่แปลกจากโลกเป็นขั้นข้นไปเช่นเดียวกัน ปัญญาเป็นขัข้นๆนที่จะตัดกิเลสตัวเสนียดจันไรออกไปโดยลำดับก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งประเทศหนึ่งจนกระทั่งปัญญาตัดขาดตัดกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเป็นประมังสุขขังเรียกว่าสุขในมุติธรรมล้วนรูาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนเลยนี่เรายังไม่เคยเห็น ยังไม่เคยพบได้ยินแต่ชื่อของสมาธิได้ยินแต่ชื่อของปัญญาขั้นนั้นๆได้ยินแต่ชื่อของมักผลนิพพานได้ยินแต่ชื่อท่านบรรลุแต่ชื่อแต่เสียงท่านบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบริสุทธิ์ยังไม่เห็นตัวจริงของความชื่นจากษ์ที่เรียกทั้งหลายว่ามีความเลื่อระสือประการใดบ้าง ทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาชาวโลกทั้งหลายเป็นคนธรรมดาพอตรัสรู้ทำบรรลุธรรมแล้วกลายเป็นผู้วิเศษไปได้หมดเป็นเพรเหตุใดนี่ละ่ะการรู้ของจริงมีความแตกต่างกันไปโดยลําดับอย่างนี้เราเองก็เถอะขอให้รู้ธรรมเหล่านี้เป็นลํำดับธรรดาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติพ้น ความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไม่มีใครมาเจษสันตั้นยอก็าตามเราไม่เสียดายไม่เกี่ยวข้องไม่ตังวนพอใหถึงตัวจริงแล้วเป็นที่พอใจพอใจไม่ได้พอด้วยความเพลิดเพลินแบบโลดโผนๆพอใจด้วยความเหมาะสมพอใจด้วยความพอดีพอดีทันว่านิพพานคือเมืองเมืองพอฉันใดความพอใจอันนี้ก็มีความเสมอตัวคงเช่นคงมาฉันนั่นเหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกัน นี่ทำที่กล่าวมาเหล่านี้เรายังไม่เคยพบเคยเห็นใครพูดทางไหนเราก็ตื่นตาก็ตื่นหูก็ตื่นใจก็ตื่นด้วนแล้วตั้งแต่เป็นพูดมาเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาเพราะความมืดดํากําตาทั้งนั้นไม่ได้พูดพูดด้วยความรู้แจ้งจริงๆพูดอยู่ในวงของสมมุติเห็นได้ยินสัมผัสสัมพันธ์จากวงสมมุติมาพูดสู่กันฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้บ้านนั้นเมืองนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ พาการตื่นพะกิเกลสพาให้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนี่ทั้งๆ ท, ที่ก็เคยเป็นมาอย่างนั้นเนียแล้วที่กลามาเหล่านี้มีอันใดวิเศษทำคนให้มีเศษได้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 พุ่งเฟอเ้อเหวมความตื่นเต้นไปตามโลกทามสารโดยลําดั่ดับจนกระทั่งหมาะพลาดไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามายุ่แย่ก่อกวาจิตใจได้เลยเนื่องจากอํานาจแห่งความเชื่อความนิมิความเอาจริงเอาจังมันถึงใจทุกอย่างทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็มีกําลังความเพียรก็เป็นความเพียรจริงเพราะความมุ่งมั่นเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดอันสาคัญมุ่งมั่นต่อความถูกมุ่งมั่นต่อรสต่อธาตุต่อนักผลนิพพาน ที่ท่านผู้เศีลดังหลายได้พบได้เห็นแล้วเป็นผู้เศีลขึ้นมาเราอยากเป็นเช่นนั้นเราอยากพ้นทุกเช่นนั้นเราอยากเห็นสุขประเภทนั้นอ้วที่นี่โยนเข้ามาย่อเข้ามาถึงทางเดินเพื่อความพ้นทุกนั้นไม่นอกเหนือไปจากองานที่ก้ามาเบื้องต้นนั้นเลยนี่แหละเป็นงานบุกเบิกเบื้องต้นเอาทุกก็ยอมรับว่าทุก์เราเป็นผู้เป็นผู้เริ่มต้น แต่ดีเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนําร่าสอนข้ออัดข้อธรรมแล้วผู้สอนก็ขอเรียนท่านทั้งหลายโดยตรงว่าไม่ได้มีความสงสัยใดๆในข้ออัดข้อธรรมที่นํามาสอนมือเพื่อนสอนด้วยความถึงใจของตัวเองทุกอย่างออกจากความถึงใจของตนทั้งสุกทั้งทุกข์ทั้งความรู้เห็นมากน้อยที่เป็นมาจากการปฏิบัติได้ทอออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เที่ยวตะคุบนั่นอืม รูปคำอันนี้เอามาสอนแบบเปล่าแบบด้นๆเ ด, ดาๆเราไม่ด้นเราพูดตามความจริงสอนตามหลักความจริงแล้วสอนด้วยความเป็นที่แน่ใจเจ้าของเองจึงไม่เป็นที่สงสัยในการสอนทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะยึดไปได้มากน้อยเพียงไรเนี้ยวิธีสอนก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นแห่งการบุกเบิก ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านผู้ใดมีจดิตนิสัยชอบพิจารณาในแน่ใดอาการใดของอาการทางยุสองแห่งร่างกายนี้เอาพิจารณาเถอเหมือนกันหมดสําคัญที่จดิตนิสัยที่ชอบอืจับแขนซ้ายก็กระเทือนถึงแขนข้างขวาจับเท้าซ้ายก็กระแขนกระเทือนถึงเท้าข้างขวาจับอวัยวะส่วนใดสะดึงกระเทือนถึงกันหมดอืเพราะเป็นอวัยวะเดียวกัน มีอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดเพราะเป็นกองให้จังทุกขงังอนุตตาอนัตตาเป็นกองอธุภาพทุพังซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจง้งแทงทะลุปไปตามๆกันหมดสําคัญที่กระดิกนิสัยพิจารณาให้จริงให้จังยาเสียดายกระแสะของจิตที่อํานาจของกิเลสมันถักดันออกมาวาดภาพหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทํางานอันแท้จริงที่จะรื้อถอนมันได้เลยเพราะอํานาจของมันมากพอทำมันี่ ชั่คู่เดียวเท่านั้นมันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นนั่นแหะมันแสวงหาอะไรได้แล้วเหยียบหัวใจเราตลอดเวลาไม่เค็ดหลาบกันเหนือ้อความทุกข์ไปยังไงเพียงน้ำย่อเข้าฝ่าเท้ามันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วให้พบชาติมันย่อลงไปทุกพบทุกชาติทุกตั้งกับตั้งกันไม่เค็ด ต, ตรงนี้จะเค็ด ต, ตรงไหนนักธรรมะนะไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไร มันเห็นแย้งเห็งจริงเมื่อการปฏิบัติพิจารณาอะไรเอาให้จริงให้จริงยาเสียดายความคิดความปรุงเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นไปจากจิต ด, ดวงนี้เป็นผู้หลอกอย่างเดียวเท่านั้นมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเขาเป็นปัจจุบันของเขาตลอดมามืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่น่าสงสัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ หรือฟ้าแดดดินลมมันเป็นสภาพอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ให้ความสุขความทุกข์เราได้อย่างไรเราเองเป็นผู้ไปหลงเป็นผู้ไปเพลิดเพลินเป็นผู้ไปโศกเศ้าเป็นผู้ไปซ้ำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็อทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจตนเองต่างหากถ้าเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขสงบสุขสงบุขไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอะไรจะมาพิ้งแยงหัวใจเราได้ก็ตัวอวิชาตัวสังขารตัวสัญญ่าที่อยู่ภายในเป็นอันเป็นตัวเพลิดนี่แหละมันเป็นผู้ ความนว น, นความนี้หลอกน้นหลอกนี้ลอกอยู่ไม่หยุดไม่ถอยผููเชื่อก็เชื่อไม่หยุดไม่ถอยจมไปกับมันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีความเบื่ออีกพอเลยนี่เฮ้นทําเข้ามาะทํางานอะไรเอาให้จริงให้จริงในขณะที่ทํานั้นเหมือนอย่างโลกใดใดไม่มีพิจารณาดูมันน่างกายนี่ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูข้างข้างในข้างนอก เทีบเขียนกันหลายทุกจัทุกส่วนหลายครั้งหลายหนหลายตลกทบทวนจนเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของเราเรื่องความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปถึงไหนถึงไหนพอตัวที่ตรงไหนแล้วถอดถอดถอนถอ น, ถอนเองถอนเองอุปท า, านมันเป็นผลอันหนึ่งที่มาจากความหลงมันถึงเยอะถ้ารู้แล้วมันก็ถอนเข้ามันเองเหมือนกับวันนี้โรดความดับทุกข์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 ให้ทราบเพื่อเหมือนการประกอบความปเปลี่อนบากิเลศมันแทรกอยู่ตลอดเวลาอืมแม้แต่ตั้งใจอยู่ขนาดนั้นมันต้องเป็นความลำบากลําบนความลำบากลําบนนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่อะมันจะให้ถอยอดังนั้นเราจึงว่ากิเลสละเอียดมากเวลาพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปทไลายจึงทราบเรื่องของกิเลสมนมายาของกิเลสมันมีเป็นขั้นๆตอ น, ตอนมีไปโดยลําดับลำดาบเดินโยนกลมมก็ตามอยูนน่นั่นนั่งภาวนานมันก็ นั่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเผลอเมลัยต่อเมื่อ น, นั้น่ะสติปัญญาของเราทรงตัวอยู่ได้มันก็รอดูอยู่จนกระทั่งสติปัญญาเรามีความแก่กล้าแล้วนอกจากนั้นปราบมันแล้วทิปราบมันได้โดยลําดับลำดับอ้าวเราจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดก็คือตอนสติปัญญาแก่กล้าอืที่เหลือตัวยาบอยากถูกประหัตประหารไปโดยลําดับลำดาจนกระทั่งตัวยาบอยากหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือแล้วรู้ชัดด้วยว่าไปฆ่าตายแล้ว ภายในใจของตัวเองอันนี้ได้ค้นหาที่เหลืแล้วสติปัญญาก็ไม่มีคําว่าเผลอนั่นตังเลยเมื่อถึงขั้นมันเกรียงไกรเป็นอย่างนั้นนะขั้นรมลุกคุกครานก็รู้กันเวลานี้กําลังล่ำลุกคุกคานเอาตั้งเข้าสติทนความการบํารุ่รักษาอยู่เสมอไปไม่ได้นี่คือทางเดินนี่คือทางเจริญของจิตทางเจริญของธรรมอยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่ความอุตสาห์พยายามความบึกบืนความทนความต่อสู้อยู่อยู่ไม่ถอยนี่แหละนี่คือทางเดินเพื่ออัปเทธรรมทางเดินเพื่อการปราบที่เดชให้หน้าไปเดียงลำดับเดิ น, แบบนกระทั่งถึงสติปัญญาเพียงกายแล้วเป็นอันเดียวกันสติอันใดปัญญาอันนั้นพอมีมีอะไรมาสัมผัสพอมีมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันทีความ่ามมั่มมนํามาพิจารณา อูปกติก็รู้ตัวอยู่เช่นนั้นน่ะสำหรับสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานี่ยเราได้ยินแต่ชื่อคาดคะเนเดาไปอย่างนั้นแหละว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงพอเข้าถึงใจแล้วรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่น่าจะสงสัยที่ไหนที่สงสัยมหาสติมหาปัญญาในขัง้งพุทธการกัดขั้งนี้สงสัยไปที่ไหนมันเป็นอย่างเดียวกันนี่ นั่นแหละทีน่นีตอนนั้นอะกิเลสหมอบและลเอียดกิเลสมันละเอียดเพราะมันแหลมคมนี่มันไม่หมอบไม่ได้เนยต้องหาที่หลบซ่อนด้วยอุบายของหมันปัญญาของหมันปัญญาของเราก็เอาอีกตามกันอีกค้นอีกพอเจอภา พ, พก็แสดงว่าได้งานหรือว่าเจอค่าสุดแล้วฟาดตรงไปแหลกแตกกระจายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือจนกระทั่งถึงจอมกษัตริย์นั่นมันได้แจกวิชาปัญญาสร้างขาลาที่ มันครอบหัวใจแล้วพรางตาเราไว้กลายเป็นความอัศ จ, จรรย์กลายเป็นความแปลกประหลาดติดให้พันมันให้ต้อยอิ่มกับมันจนได้แต่ยังไงก็ตามคำวามาให้ติมหาปัญญาแม้จะติดก็ไม่ได้นอนใจเอาจนกระทั่งถึงแตกกระจายแตได้ไม่มีเหลือนนะจิได้ทั้งชื่อได้ทั้งการปฏิบัติได้ทั้งผล เป็นพี่พอใจนี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวดื่ด้านที่สุดภายในหัวใจของเราเองเมื่อปราบรามได้แล้วไม่มีอะไรยิเศษยิ่งกว่าจิตดวงที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลาย เนอากานิกกิจอากานิการธรรมคือไม่มีการไม่มีสถานที่เริ่มเรียนเป็นธรรมชาตินั่นอยู่เช่นนั้นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้สถานที่ไม่มีคําไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ในชีนวิต น, นิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจดวงคงเส้นคงวาตายตัวแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่จะไปหมายหมายไม่ถูกไม่ใช่สิ่ง เพราะมันไม่ใช่เป็นหมายอะไรก็ไม่ถูกธรรมชาตินั้นไม่หมายก็ถูกรู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามพา ม, มิสติให้ระมั่ระวังเสมอให้มีเสมอนี่แหละวิธีการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งเป็นสื่อสารของกิเลสเข้ามายุ่งกวน มันจะมาทำลายวงงานของเราจนได้ระมัมดระวังเสมอทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอย้วเหนื่อยมากพักก่อนอโลกต้องถามเขาก็พักเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาทุกเหมือนกันกับงานของเหล่านี้งานใดไม่มีทุกไม่มีในโลกนี้เป็นทุกทั้งนั้นแหละหแต่ก็จำต้องทำกันเพราะความจำเป็นอันนี้ก็มีเป็นความจำเป็นของเราอยากพ้นจากทุกยอมรับกันทำการปั่ไม่ถอย เวลาพักก็พักเวลาสู้ก็สู้ไม่ต่อยจุดท้ายก็ไปได้มไม่ต่อทิงไปท่านปัญญาอธิบายเหมืนเพื่อนต่าง